กายวิเวกก็คือคนเดียวจิตวิเวกก็คือสมาธิสงบอุปธิวิเวกก็คือบรรลุมรรคผลนิพพานมันก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานทีนี้ไม่บรรลุมรรคผลนิพพานทั้งหมดนั้นเขาจะไม่มีการปรารบความเพียรอันถ้าจะพูดคุยกันให้พูดถึงเรื่องความมักน้อยเรื่องสันโดรเรื่องการไม่คลุกคลีเรื่องวิเวกเรื่องปรารบความเพียรสิ่งเหล่านี้น่าพูดมาก เพราะคนที่พูดคำพูดเหล่านี้ประกาศถึงผู้มีศรัทธาผู้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพูดกล่าวถึงพิษภัยของมหาพูดห้าคำเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้มีศรัทธากลุ่มบทผู้มีศรัทธาถ้าจะสนธนาควรสนธนาเช่นนี้เสร็จแล้วก็ข้อหก 6, ก็ควรสนธนาก็คือ ศีลกถาสนทนาเรื่องศีศีก็แบ่งเป็นโลกิยะศีกับโลกุตระศีเนี่ยนะโลกิยะศีก็แบ่งเป็นอะไรศีหนึ่งคือศีละนะศีสองคือจารีตกับวารีดเนี่ยนะสีสามคืออะไรสีสามสีสามสีหมวด3ามมีอะไรบ้าง มันเยอะไปเลยจำไม่ได้นะสีลหมวดสามก็เช่นศีลอย่างเลวอย่างกลางและอย่างประณีตเป็นต้นเนี่ยนะสีน์ก็คือจะโตบาริสุดที่สีจะโตบาริสุดที่ศีลเห็นไหมถ้าโลกุตระสีลก็สื่อสีลในโสดาปฏิมักศีลในศีลของพระโสดาบันเปต้นเนี่ยนะสีลของพระสกทาคามี ศียของพระอนาคามีศีลของพระอระหันต์อันถ้าจะสนทนาก็สนทนาเรื่องศีลเหล่านี้แล้วก็หกเจสนทนาเรื่องสมาธิเนี่ยนะสมาธิก็แบ่งเป็นโลกิยะสมาธิโลกุตระสมาธิเนี่ยนะโลกิยะสมาธิก็ศีลสมาทานังใช่เพราะจิตเจตสิกไม่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจาย สมาธิสองก็เป็นอุปจาระกับอัปปนาสมาธิเนี่ยนะอัปปนาสมาธิก็แบ่งระดับปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุทัชฌานหรืออรูปฌานเป็นต้นมันก็คือสนธนาเรื่องกรรมฐาน40นั่นเองเกรรมฐานส0่ส่วนโลกุตระก็คือโสดาปติมัค ร, ระดับปฐมฌานระดับทุติยฌานตาติยฌานจตุทชฌาน อันนะั้หรือปัญจมะฌานเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าสมาธิกรถาส่วน8ก็เป็นปัญญากถาปัญญากถาก็แบ่งเป็นสองอีกก็คือโลกิยะกับโลกุตระปัญญาเนี่ยนะโลกิยะปัญญาก็คือปัญญาพระอถ า, าว่าปชานาติใช่ปชานาติรู้อะไรรู้ทั่วรู้ยังไงชื่อว่ารู้ทั่วเป็นต้นเนี่ยนะ เรเอามาสนทนากันทั้งแต่เป็นอะไรนะระดับกรรมสกตาปัญญาชานาปัญญาวิปัสนาปัญญาถ้าเป็นโลกุตระก็เป็นมัคคปัญญาผลปัญญาก็ผลปัญญาเดี๋ยวอยู่ในวิมุติก็เอาพวกปัญญาเหล่านี้มาสนทนากันมาสนทนาเช่นปัญญากถาปัญญากถาในปฏิสัมพิธามัคสุตมยญาณพวกนี้ก็กลุ่มปัญญากถา สนทนาการเรื่องขันเนี่ยนะหรือวิปัสนาภูมหกก็ได้อ่าวิปัสนาภูมิมีอะไรบ้างขันธาตุอายตนะหรืออะไรชื่อว่าหนึ่งสัพเพสาตาหารติติกาอะไรชื่อว่าสองนามรูปเป็นต้นเนี่ยนะถ้อยคําเหล่านี้ควรเอามาสนทนาการเอามาพูดมาคุยกันส่วน9ก็คือวิมุตติกถาวิมุติก็หลุดพ้นแบบอะไร ตะงขวิมุตต์วิกขำพนาวิมุตต์นะสมุตเฉทาวิมุตต์เนี่ยนะปฏิปัสสัททิวิมุตต์นิสรณวิมุตต์แล้วก็เอาเรื่องวิมุตห้ามาสนทนาโดยเฉพาะปฏิปัสสัททินิมุตต์คืออริยผลทั้งหลายก็ควรเอามาสนทนาสไลอย่างที่10ก็คือวิมุตติยานทัศนะก็คือปัจเจกขณะยาณ สนทนาเรื่องปัจเจกขณะยานก็นนคือวิปัสนาปัจเจกขณะยาน19พระโสดาบันมีปัจเจก5้าพระสกทาคามีมีปัจเจกหพระอนาคามีมีปัจเจกหพระอรหันมีปัจเจก4เนี่ยนะแสดงว่พ า, ราพระโสดาบันเนี่ยมีการพิจารณาอะไรบ้างเนี่ยหนึ่งพิจารณาพระโสดาบันมีพิจารณาอะไรบ้างวลาวัน พระโสดาบันมีการพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพานพิจารณากิเลส ท, ที่ละแล้วอันนั้นกับกิเลส ท, ที่เหลือก็คือพิจารณาถ้าอาอริยสัตว์มาจับเนี่ยนะพิจารณาทุกข์สมุทยัยนิโรธ มัด ก, ก็พิจารณาว่าประปริญญาอะไรบ้างแล้วสมุทัยละอะไรบ้างนีโรดทําให้แจ้งแค่ไหนเนี่ยนะก็คื อ, อปัจเวคขณะยานก็คือพิจารณาเริยรสัตย์ซ้ํานั่นเองเนี่ยนะว่าสมุทัยศัสตร์ใดถูกละไปบ้างแล้วสกายทิฐิวิจิกิจฉาสีระพตาปรามาศทุกศาสตร์ไหนได้ทําปริญญาไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะก็เอามาพิจารณาใครครวนทั้งหมดพวกนี้แหละเรียกว่า ปัจเจกขณะยานก็เอาปัจเจกขณะยานเหล่านี้มาพูดมาคุยมาสนทนากันน่ยนะอันนี้คือสัมมาวาจานะสัมมาวาจาที่ควรจะปรารบสนทนาเพราะว่าคำพูดเหล่านี้เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์นี่ยนะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่อปรินิพานเน่ยนะเป็นไปเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข เรื่องราวเหล่านี้น่าน่าศึกษานะครับโดยเฉพาะพวกคารวาสเนี่ยก็ต้องศึกษาได้อยู่แล้วผมฟังฟั ง, ฟงธรรมาจากทรทัันสิ่งที่เป็นสาระอย่างนี้ดูมันไม่ค่อยมีไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้ครับนี่เรื่องอยู่ในคำพีทั้งนั้นเลยอย่างนี้เอามาแสดงได้ประโยชน์มากเลยแต่ก็ไม่ทราบว่าเขาเอาอะไรมาแสดงพูดจับประเด็นอะไรไม่ได้เลยเรื่องอย่างนี้มัน น่าจะมีการสอนกันในในในระดับคารวาสที่เรียนหนังสือนี่นะจะเป็นกรรมสกตาก็ดีในเรื่องมงคลสารที่แปดก็ดีนะฮะในเรื่องศีลก็ดีนี่เนี่ยในเรื่องพวกเนี้ยครับมันน่ามันน่ า, ม, นนามีการสอนกันแต่นโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยสงนะฮะเอาอภิธรรมเอาเอาอภิธรรมออกเลยครับเอาสิ่งเหล่าเนี้เอาให้สอนให้เป็นในเรื่องเหล่านี้ให้เข้าใจเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะ แล้วจะได้ไปสอนชาวบ้านได้เนี่ยโอ้โหบุญนักหนานดีนักหนาเลยเราได้เป็นชิ้นเป็นนันไปเลยไม่ทราบว่าเราไปเป็นผู้จัดการโลกเลยนั่แล้วก็จะไปเป็นอธิการบดีอีกละนั่นะ <c oughs> ใช่ปัจจกเวก็พิจารณาเียเดี๋ยวไพภูกาศเป็นคณะบดีก่อน คือคือเห็นด้วยไหมครับอย่างเงี้ยเนี่ยจริงเนะ่ยเป็นสิ่งที่เราคาราวะเ น, นี่ยเราควรรู้มากๆเลยนะใช่เพราะนี่เรีย น, ยนข้างๆมหาลัยสองอยู่อย่างมงคนทั้งหลายเนี่ยนะท่านลองไปดูเถอะน่าศึกษาหน้าเรียนคาราวะควรรู้มากมากเลย น, นี่แค่แค่เนี่ยนะครับที่คาถาเนี่ยนะครับก็น่าเรียนน่าศึกษามากมนะันเป็นเรื่องของชีวิต ประจําวันเลงแล้วสิ่งอย่างหนึ่งที่น่าเอามาสนทนาก็คือโพธิปัฏิิธรรมเนี่ยะน่าสนทนามากสนทนาสติปทานสี่ประการน่ยะสนทนากายานุปัสสนาสติปทานสิบสี่บพะสนทนาเวทนานุป 9, นัสส น, นาเก้านะสนทนาิจสิบหกสนทนาธรรมะทั้งขัน อ่โพธอ์ขันอายตนะนิวรนโทษชงอริยสัจเนี่ยนะอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นต้นเหล่านี้ก็น่าเอามาสนทนากันสนทนาเรื่องสัมมประทานสี่นี่ยนะสังวรประทานเรื่องการสังวรไม่ให้บาปอกุศลมันไหลเข้ามาปหานประทานสนทนาเรื่องการละบาปอกุศลสนทนาภาวนาประทานการเจริญกุศลสนทนาเรื่อง ถ้าจะพูดคุยเรื่องการตามรักษากุศลสนทนาอิทธิบาทฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่เป็นบาทที่ทำให้บรรลุมรรคผลหรือสนทนาสัททินรีนี่ยนะสัทธาพละในสำหรับผู้ที่มีความเลื่อมใสยอย่างมั่นคงในพระตนามตรยัยสนทนาวิริยะพละนี่นะความภาคเพียรพยายามอุตสาหะในสัมมาประธาน ส, สีสติพละสติประธานสีนี่นะ สมาธิพละก็ฌานสี่เป็นต้นปฐมฌานเป็นต้นก็อเอาหน้ามาสนทนาปัญญาคาถาเรื่องอริยสัจแม้กระทั่งอบโู้ชงคาถาเนี่ยนะสติสัมโู้ชงว่าสติสัมโู้ชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดสติสัมโู้ชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ด้วยประการใดสมาธิอ่ะนะธรรมวิจาระสัมโู้ชงก็เหมือนกันที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดที่เกิดขึ้นแล้วจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้อย่างไร วิริยะสัมโพชฌงปีติสัมโพชฌงปัสสัทธิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงและอุเบขาสัมโพชฌงหรืออาิยมรรคกถาก็ได้สนทนากรรมสักตาสัมมาทิฏฐิสนทนาฌานสัมมาทิฏฐิวิปัสนาสัมมาทิฏฐิมรรคสัมมาทิฏฐิผลสัมมาทิฏฐิสนทนาเรื่องสัมมาสังกัปปะมีเนคขมมะสังกัปปะอัพยาปาท่าสังกปะอวิหิงสาสังกปะ สนทนาสัมมาวาจาเนี่ยนะเว้นจากอย่างในในสารีปุตตะสุตตะนิเทศที่ส6บหเนี่ยนะข้อ917สเจดหน้าห้าเจ็ดสบสองท่านนิเทศอธิบายว่าความบริสุทธิ์แห่งวาจาเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้ละมุสาวาดเป็นผู้เว้นขาดจากมุสาวาดคือพูดคำจริงดำรงคำจริง มีถ้อยคํามั่นคงมีถ้อยคําที่เชื่อถือได้ไม่พูดให้คลาดเคลื่อนแก่โลกอันนี้เรียกว่าสัมมาวาจาเว้นจากวจิมุสาวาและก็พูดคําศัพท์เนี่ยนะละปิสุณาวาจาคือคําพูดสอเสียดเป็นผู้เว้นขาดจากปิสุนาวาจาคือคําพูดส่อเสียดนนะฟังข้างนี้แล้วก็ไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อทําลายคนหมู่นี้หรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกคนหมู่นี้เพื่อทําลายคนหมู่โน้น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 กล่วแต่คําที่ไม่มีโทษอันไพเราะเป็นที่ตั้งแห่งความรับยังลงถึงฮะไทยคําว่ายัางลงถึงใจก็คือเป็นถ้อยคําที่ควรเก็บเอาไว้ในใจนะเป็นถ้อยคําที่ควรเก็บเอาไว้และลึกถึงในวันหลังไม่ใช่มันก้องหูเลยคําด่ามาเนี่ยไม่ใช่แม็กมคก็เก็บเอาไว้ในใจและลึกถึงเป็นคําของชาวเมืองที่คนหมู่มากพอใจชอบใจ ล ะ, ะละสัมผัส ป, ปลาปะคือคำพูดเพอเจอร์เวนขาดจากสัมผัส ป, ปลาปะคือคำพูดเพอเจอร์เนี่ยนะโดยพูดถูกกาละสมควรพูดคำจริงพูดอิงอัตถะคือประโยชน์พูดอิงธรรมะพูดอิงสังวรวินยัยปหานวินยัยพูดวาจาเป็นหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่สุดประกอบด้วยประโยชน์แล้วก็พูดให้โดยกาละอันสมควรเป็นผู้ประกอบด้วยวจีสุจริ กล่าววาจาปราศจากโทษสี่งดเวน้นเว้นขาดออกสลัดพ้นขาดไม่ประกอบด้วยตีระฉานคาถาสาประการเนี่ยนะไม่พูดเรื่องดอกไม้เรื่องถนนหนทางเรื่องอะไรทั้งหลายแลยที่ไม่ได้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติเพื่อทำที่สุดแห่งทุกเนี่ยนะย่อมกล่าวคาถาว่าถูสิบคืออปิดจักคาถาคาถาว่าด้วยการมักน้อยสันตุทิกถาเรื่องสันโดษ ปวิเวกคาเรื่องวิเวกอาสังสักฆะคาก า, การไม่คลุกคลีวิริยารำพากาาความปารบความเพียรทีนี้พูดถึงไออาสังสักคะเนี่ยนะเมื่อมีการคลุกคลีกันฉันธราคะก็เกิดเมื่อคลุกคลีกันมากๆความพอใจชอบใจกันก็มีขึ้นใช่ไถามว่าเมื่อความชอบใจเกิดขึ้นอะไรเกิดบอกทุกเกิด ไม่มีกิจกรรมการคลุกคลีด้วยตันหาใดที่ไม่นํามาซึ่งทุกข์ในเบื้องหลังที่ไม่นํามาซึ่งความเดือดร้อนในภายหลังไม่มีเพราะในคาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อมีการคลุกคลีกันก็เกิดฉันทราคะเมื่อมีฉันทราคะก็เกิดทุกข์เราเห็นโทษแห่งความทุกข์เราจึงไม่คลุกคลีเพื่อให้เกิดฉันทราคะเนีนย่ยนะก็เที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอเล็ด จะได้ไม่คลุกคลีใช่ไหมแล้คลุกคลีมันมีโทษเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาร้องให้กันในภายหลังจนได้อันคลุกคลีกับวัตถุใดที่ไม่นํามาเสื่งความลําบากใจในภายหลังเนี่ยเคยมีไหมเคยได้ยินไหมว่าไปคลุกคลีแล้วไม่ลําบากใจในตอนหลังกลับมาเลยน้อยนักเนี่ยนะอย่างน้อยก็ลําบากใจเพราะกลัวจะไม่ได้คลุกคลีอีกอย่างไง ทีนี้พวกศีลกขาเนี่ยนะก็น่าเอาสนทนาสมาธิกถาปัญญากรถาวิมุตติกรถาวิมุตติญาณทัศน์กราย่อมกล่าวสติปทานกรถาสมบัปิปทานกรถาอิทธิบาทกรถาอินทรีย์กถาพระลักษาโพชงกระถามรรคกรถาผลกรถานิพพานกระถาเป็นผู้ประกอบด้วยความสำรวมสำรวมเฉพาะคุ้มครองปกครองรักษาระวังด้วยวาจานี้ชื่อว่าความบริสุทธิ์ทางวาจา พวั น, นี้ก็เป็นสัมมาวาจานะคนที่ใช้สัมมาวาจาได้ดีเนี่ยนะก็คือสุดยอดของผู้มีสัมมาวาจาบริบูรณ์ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารองลงมาก็พระสารีบุตรเนี่ยนะถ้ารองลงมาปักกว่านั้นก็คือผู้มีศีลทั้งหลายถ้าไล่ขึ้นนะไล่ขึ้นผู้มีศีลทั้งหลายก็มีสัมมาวาจาพระโสดาบันก็มีวาจากว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปพระสกะทาคามีก็มีสัมมาวาจามากยิ่งขึ้น พระอนาคามีก็มีสัมมาวาจาสูงขึ้นไปอีกพระอรหันต์ก็เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมาวาจาถ้าปเจกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยิ่งบริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปกว่า น, นั้นอีกมันก็ผู้ที่ใช้สัมมาวาจาได้ดีก็สามารถทาที่สุดแห่งทุกข์ได้สุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังคลมุตตะมังเยเพราะการกล่าววาจาที่เป็นสุภาสิทธ์ทำให้พ้นทุกข์ได้ พระพุทธเจ้าออไปที่ไหนเที่ยวไปที่ไหนก็ไปกล่าววาจาสุภาษิตผลของการกล่าววาจาสุภาษิตของพระองค์ก็ทําให้สัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์ใช่ไหมธรรมาจักกะถาที่พระองค์แสดงเนี่ยนะบนรรลุเท่าไหร่บอกว่าพรหมสิปโกดเนี่ยนะอณาตาระขณสูตรก็บรรลุอีกห้าอย่างนเง้ยอธิตตาปริยยสูตรบรรลุพัน 1, 000, หนึ่งอนุปุพิกะถาบรรลุหาประมาณไม่ได้เงี้ย พรมนารทกัสปะชาดกก็บรรลุ11เอ็ดมื่นอย่างเงี้ยโอ้กันรุเยอะแยะไปหมดเลยมันก็ถ้าผู้ใดมันกล่าวพุทธพจน์บ่อยๆเนี่ยนะไม่นานก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้มาก็เลยเนี่ยจะขยันพูดพุทธพจน์เยอะๆหน่อยเผื่อจะพ้นทุกข์กับเขาบ้างอะเอาทีพูดเดราชาณคาถาเนะร้องเพลงทั้งวันยังเคยพร่ำ ม, มาแล้วนะไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลยนะอยู่ท้องทุ่งนี่ก็พูดแต่ร้องแต่เพลงอะนะไม่เห็นเวยนี่ถ้าพูดอริยสัจเท่านั้นนะบรรลุไปนานแล้วเนี่ยนะ มันก็มาเคยอยู่ครั้งหนึ่งบางทีนะไอ้จริงดีทํำไมมันขยันขยันทําให้เกิดเสียงขนาดนั้นพวกกบมันก็ขยันร้องจริงๆเลยนะแล้วมันได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการร้องเหล่านั้นทําให้พ้นทุกอะไรไหมอย่างพวกกบพวกเอิญนั้นมันยิ่งร้องมากมันยิ่งตายเร็วอย่างนีเพราะว่าถ้าพวกกบกระเอิงมันไม่ร้องนะเขาไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ตรงนั้นอย่านีมันพวกเอิงทั้งหลายเนี่ยนะสมมติว่าฝนตกถ้าเป็นฝนต้นตีเนี่ยนะ ถ้ามันตกน้ำํำนองน้ําท่วมเนี่ยคนละหากบหาอื่นเขาไม่รู้หรอกเพราะมันร้องเนี่ยเขาจึงรู้แต่จริงๆตัวมันก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นง่ายๆมันอยู่ร่วมกับพวกสวะพวกขยะพวกเศษไม้ใช่ไหมทีนี้มันร้องปับ๊บมันก็คนก็เห็นก็จับเอาจับเอาจั บ, เ อ, จบ เ, อเอาเต็มบางทีเต็มถุงปุ๋ยเลยบางคนเนี่ยจับเยอะๆอย่างเงี้ยนะบางคนนี่จับขายเป็นอาชีพเลยมันก็พวกนี้ตายเพราะวาจาทั้งนั้นเลยนะ แล้วก็อีกคำหนึ่งคือปอมหมอตายเพราะป่ากเพราะปอมหมอชอบกินเบ็ดนะเนี่ยไหนอะไรจับอะไรกบหมูเขาจับขายกันไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เลยก็อย่างอื่นเขายังจับได้เลยอ่ะไอ้แก้แคกบเนี่ยนะแก่กบเนี่ยเขาเขาจะเอาเท่าไหร่นี่นะจนเขาเพาะมันขึ้นได้อ่ะเลี้ยงมันได้ครับประกอบ ปลาไหลนี่จับด้วยมือได้ไหมยังไม่เคยพบ อ, อจามินิดมีสูตรจับอยู่มันะแต่ว่าถ้าตัวใหญ่ๆจริงๆเนี่ยค่อนข้างยากเนีแต่ถ้าอยู่ในโคลนบางทีเนี่ยนะก็พอได้แต่ส่วนใหญ่ปลาไหลจะใช้อาวุธใช้ของมีคมใช้เบ็ดใช้อะไรปรลาไหลนี่ก็มันอยู่ในดินของมาก็ไปดึงเอามาไม่รู้เท่าไร่ปลาไหลแล้วเนี ไม่ไม่ไม่สั่งรู้ว่าขอให้รู้ว่ารูนี้มีปลาไหลอยู่นี่เสร็จเราแล้วนะยาใช้มใช้ใช้ซ่อมอ ง, งานนี้นะแ ล, แล้วสัไปตามธนาเอียยินไหลนิ่มหน่อยนะแต่ไปเหนื่อยเลยขาเจอใช่เขารู้เพราะว่าเวลามันก็เหมือนกับทิมถูกกระดูกถูกเนื้อเนี่ยมันจะรู้ อ่าใช่พอพอพอพ อ, พอทิมไปปั๊บเนี่ยนะมันก็ดังกรึ๊กเหมืนก็จะทิมแรงลงไปอีกถ้าถูกจริงมันก็จะบิดตัวใช่ไหมเขาก็รู้ว่าใช่เลยเนี่ยเขาก็ขุดขึ้นมันก็ใครเจ็บหลังเจ็บเอวก็เคยทําเหตุอะไร ห, หรือเปล่าไม่ทราบนะ <c oughs> อดีตชาติ <c oughs> นะเคยไปบิดใครไว้หรือเปล่าแล <c oughs> ้วก็คือบุคคลผู้ชํานาญในอากุศลมีตกเนี่ยนะนะ ชำนาญในปานตาิบาตเป็นต้นเนี่ยเขาเขาคิดอะไรเนี่ยมันเป็นปานตาิบาตได้หมดเลยอย่างกล่มชาวบ้านเนี่ยนะภูมิปัญญาชาวบ้านคือการหาสัตว์ในในพื้นดินเนี่ยนะเขาเก่งมากเขามองเห็นอะไรเขาจับสัตว์ได้หมดเลยจะต้องมีอย่างหนึ่งที่เป็นสเปรียงของเขาได้ใช่ไหมจักจันท์จิ้งหรีดอะไรพวกสัตว์ที่อยู่ตามเขาสามารถทําได้หมดเลยจริงๆนั่นพวกนี้จึงเลี้ยงชีวิตอยู่ได้โดยที่เรียก ว, ว่า ท้องนาว่างเปล่าเนี่ยนะไม่มีสตังค์เขาก็อยู่ได้นะเขาก็ใช้ความสามารถจนหาข้าวของอะไรก็ตามที่มันอยู่ในนั้นน่ะนึกถึงสมัยที่ที่อยู่หมู่บ้านเนี่ยนะปูเนี่ยแผ่นดินแตกระแหงแห้งแล้งเนี่ยเราไปหาปูมาต้มได้ก็แล้วกันนะหาได้ก็คือคือไอเรียกว่าไอการอยู่จนดํารงชีวิตอยู่ได้มันก็ทําได้ทั้งนั้นเน่ยแต่ทีนี้ว่านั่นเป็นโทษของวาตตะมั้งนั้นนะง ท่านผู้ที่ที่เกิดมาในโลกเนี่ยมันพร้อมที่จะทําบาปทําอาคุลได้สารพัดนะถ้าถ้าในฐานะอันสมควรได้เหตุปัจจัยพร้อมที่จะทําบาปทําอาคุศลเหล่านั้นท่านพวกหมู่เดรชาติทั้งหลายนี่ก็ร้องระงมพยัยร้องระงมป่าก็ไม่ได้ประงมพ่ออริยสัจอะไรขนาดนั้นเขาขยันจังเลยใช่ไหมถ้าเราทั้งหลายก็อาารเกสุดาได้ท่องอริยสัจได้กับภาษาไทยายบ่อยๆนะ สาธยายให้คุณหมอได้ยินด้วยก็ได้ชาติกิทุกขาอย่างเงี้ยนะไม่แน่นะเผื่อหมอบรรลุ ก, ก่อนก็ได้เขามีโยมบางคนนะักศึกษาธรรมานิพริยาศึกษามานานและผัวศึกษาที่หลังเข้าใจมากกว่าตั้งเยอะ <c oughs> บางทีอย่างนั้นก็มี <c oughs> ก็มีนะะอย่างนั้นก็มีแล้วก็พันก็พยายามอย่าประมาท ก, ก็แล้วกัน <c oughs> เดียวไม่แน่นะพวกมาทีหลังแสงทางโค้งอะนะแต่ว่าไม่ค่อยมีหรอกอ๋อฮัลลฟังเริ่มฟังอริยสัจแล้วนะ มันสัมมาวาจาเนี่ยนะถ้าอีกอย่างหนึ่งนะคนที่เดือดร้อนใจในภายหลังเนี่ยเพราะวาจาเนี่ยเยอะมากวันวันหนึ่งนะใครที่พูดอะไรแล้วไม่ลำบากใจในภายหลังเลยเนี่ยถ้าใครสมาทานดีๆอาจจะทําได้แต่คนทั่วๆไปถ้ายิ่งพูดมากเท่าไหร่ลำบากใจมากเท่านั้นในตอนหลังคือยิ่งพูดมากยิ่งผิดมากนะเนี่ยถ้ายิ่งข้อมูลไม่ดีความรู้ไม่พอพูดมากก็เครียดมากในตอนหลังนะนะนึกเมื่อไหร่ก็ ลำบากใจในตอนหลังคำพูดใดที่เป็นมิจฉาวาจาเนี่ยนะสังเกตไม่ยากคำพูดใดที่นำมาซึ่งความลำบากใจในภายหลังให้รู้เถ่ว่านั่นเป็นมิจฉาวาจา น, น, นหรือแม้กระทั่งพูดพูดถู ก, กว่างนั้นเถอะแต่พูดผิดกาละก็เป็นมิจฉาวาจาไปนะถ้าพูดพูดพูดผิดกาละเนี่ยนะพะนำมาซึ่งความลำบากใจในภายหลังนั้นก็ผู้ที่ฝึกใช้สัมมาวาจาได้ดีเนี่ยก็สามารถ ที่จะสงเคราะห์ตัวเองก็ได้สงเคราะห์ผู้อื่นก็ได้นะสงเคราะห์ทั้งสองฝ่ายก็ได้ให้ได้รับประโยชน์ทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าเนี่ยนะอาจารย์มินิดก็ใช้วาจาเยอะมากวันหนึ่งอ่ะนะหลายชั่วโมงอ่ะนะผู้ที่เป็นครัวจาย์ทั้งหลายก็ใช้วาจานี่สื่อสารเนะี่ยอารเกศนก็เคยใช้วาจามาเยอะเนี่ยนะก่อนนึกแล้วโสมานัดหรือโทรมนัด อสอนเรื่องไวยากรซะส่วนใหญ่นะียก็เลยไม่เท่าไหร่สอนไวยากรณ์สอนอะไรไปเนะี่ย r ้ไปเรื่อยๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาเลยทีนี้แล้วก็มาฝึกดูนะว่าวาจาทั้งหลายที่เราถ้าเราสังเกตดูจิตสภาพจิตของเรานิดนึงเนี่ยนะถ้าเราอยู่ๆแล้วเราไม่สบายใจขึ้นมาเนี่ยอยู่ๆขึ้นมาเหมือนกับว่าไม่ไม่โสมนัสอะไรเลยมันเหมือนกับเป็นความแห้งแล้งทางความคิดเนี่ยนะ อันนั้นเนี่ยเป็นวิปฏิสาาชนิดหนึง่งที่มันเตือนว่านั่นเป็นผลพวงของบาปอากุศลของมิจฉาวาจาเป็นต้นเพราะเราถ้าเป็นคนช่างสังเกตอีกหน่อยจะรู้ว่านี่เป็นผลของทุจริตเมื่อตอนใดนะแต่ต้องต้องเป็นนักสังเกตความคิดตัวเองเยอะๆเยอๆจะเริ่มเข้าใจเลยว่านี่นะความลำบากใจครั้งนี้เกิดจากอะไรเกิดจากทุจริตกรรมตอนไหน บางครั้งเนี่ยเรื่องไม่สบายใจบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่อง20ปีที่แล้วอย่างเง้ยนะบางเรื่องก็เกือบ30ปีที่แล้วทําให้เราไม่สบายใจในตอนหลังอันนี้คือเรียกว่าโดยอุปนิสยปัจจัยพยาปาทะสัญญาเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อพยาปาทะมิตกในที่สุดก็นํามาซึ่งความลําบากใจความทุศีลทั้งหลายเนี่ยนะในสายตาของพระพุทธเจ้าที่มองการไกลไม่ได้มองชีวิตแค่ชาติเดียว มองชีวิตเป็นเป็นสังสารวัตเนี่ยนะมองชีวิตในวัตฏะอย่างตลอดสายอัครองค์จึงสอนให้เราสังวรอยู่ในวาจาเพราะว่าในที่สุดนํามาซึ่งความเดือดร้อนจริงๆมันโรคทางปากนี่มีไม่ใช่น้อยเน่นะโรคปากทั้งหลายเนี่ยนะโรคฟันทั้งหลายก็จนมีคณะเนีย่ยนะเพื่อรักษาเรื่องฟันเป็นต้นเนี่ยนะฟันปากหรือแถวๆปากแถวคอเป็นต้นเนี่ยเพราะพวกนี้เป็นผลของ มิจฉาวาจาที่ทําให้ส่วนทั้งหลายเหล่านี้เสียหายอันผู้ที่พิการทางทางสุขภาพปากเป็นต้นเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งร่างกายด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นผลพวงของมิจฉาวาจาเพราะมิจฉาวาจานี่เมื่อพูดอย่างเช่นคําด่าเนี่ยด่าว่ายังไงนะคำด่าเนี่ ย, ย, งงยขอให้ได้รับความสุขความเจริญนะไม่มีหรอกมีแต่ทําตรงกันข้ามนะให้คนอื่นได้รับความเสียหายยิ่งประสงค์ความเสียหายแก่สัตว์อื่นเท่าไหร่ ผู้พูดจะได้รับความเสียหายขนาดนั้นถ้าเราเอาเรื่องของวาจามาตรึกดูดดีๆเนี่ยนะจิตตชรูปตัวนี้เนี่ยจิตที่เป็นสมุทฐานแห่งจิตตชรูปตัวคือวาจาอันนี้ต้องเอามาทำปริญญาเพราะว่าจิตที่เป็นสมุทฐานแห่งวาจามีกี่ดวงบุคคลทั่วไปก็ยี่สิบดวงนนะบุคคลทั่วไปนะก็จริงๆก็ท่านก็นับอาวัชนะด้วยนั่นแหละ ก็นะถ้าเน้นชาวนะก็คืออกุศน12มหาอักขศล8แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเราพูดทานนกถาบ่อยไหมศีลกถาบ่อยไหมภาวนากถาบ่อยไหมถ้าไม่เป็นไปกับทานศีลภาวนาไม่เป็นไปกับจารีตศีลวารฤตศีลเป็นต้นเนี่ยนะให้รู้ว่าทั้งหมดนั่นเป็นมิจฉาวาจานะไม่ตกอันใดก็อันหนึ่งจนได้ในที่สุดก็เดือดร้อนใจตัวเองเนี่ยนะวิธีที่เดือดร้อนใจเนี่ยรู้ได้ยังไง ร, รู้ได้ว่า ก่อนจะตายเนี่ยจะเห็นชัดท่านบอกว่าเงาของบาปมันจะมาท่วมทับว่าเราไม่ได้ทาําความดีไว้หนอเราทําแต่อกุศลไว้หนอผู้ที่ใช้มิจจามิจฉาวาจานะถ้ามองแค่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยดูว่าเหมือนไม่เสียหายอะไรแต่ถ้าถามว่าสิ่งที่คุณพูดไปทั้งหมดเนี่ยคุณเอาเป็นอารมณ์ของภพใหม่ได้ไหมเอาไหมอ่ะนะที่พูดอยู่เกือบทั้งวันเนี่ยนะเอาไหมเป็นอารมณ์ของพบใหม่แต่ม่นิดเอาไหมไม่เอานะแต่พูดทั้งวันเนี่ยนะ แต่ว่าจะไม่เอาอ่ะนะไม่เอาไม่ได้พูดแล้วจะต้องไปกับคําเหล่านี้นี<ๆ>่แหละุพเวลาวันพูดทั้งวันจะเลือกเอาคําไหนไปด้วยอ่ะเราจะเอาใหม่เอ า, เ อ, า, าอารมณ์ใหม่อารมณ์ใหม่ น, นะนะนะก็ตั้งสัมมาวาจาให้ดีๆนะเพราะว่าคําที่พุ่งออกไปคําหนึ่งนําเกิดได้อนะ่อถ้ามันนําเกิดได้ไปนึกถึงคําเหล่านั้นอ่ะควรจะเกิดที่ไหนดีนะ ตอนที่สวดมนต์คำที่สวดมนต์ก็ยังช่วยหน่อยนะคุณมูจูตอนที่สาธยายพุทธคุณเป็นต้นก็่อยยังช่วหน่อยถ้าไปสาธยายเรื่องอื่นนะ่ยนะไปบ่นเรื่องอื่นนะ้เจตนาตัวนั้นนําเกิดเนี่ยนะควรจะเกิดที่ไหนนั้นก็ผู้ที่สังวรวาจาเนี่ยนะก็คือผู้ที่มีเมตตาต่อตัวเองเพราะว่าวาจาที่กล่าวไว้ดีเป็นเหตุแห่งความสุขใช่ไหมทีนี้ในขณะเดียวกันถ้าเรายินดีที่จะพูดมิจฉาวาจาต่อไป จเจริญการุณาให้ตัวเองมากๆไว้ยงนะว่าผลแห่งมิจฉาวาจาเหล่านี้เราเป็นผู้สเสวยนะะนะกรรมสกตาให้แม่นๆหน่อยเพราะวาจานี้เป็นศีและเสกขาเพราะมักที่จะทำให้ถึงความพ้นทุกเนี่ยนะการใช้วาจาก็นับหนึ่งในมักที่จะทำให้บรรลุพระนิพพานได้ถ้าใช้วาจาไม่ดีพอไม่สามารถทำถึงทที่สุดแห่งทุกได้หรอกอะนะนี่ก็สมควรกับเวลานั้นนะ